ความหมายที่อธิบายทั่วไปดังเด็กเล่าวแล้วว่าคําอธิบายสามัญของอนัตตาท่านมุ่งไปที่สังคตาธรรมเพราะเป็นการพูดกับมนุษย์ปุตุชนทั้งหลายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทั่วไปที่ยังต้องฝึกต้องศึกษาต้องเรียนต้องสอนกันอยู่ยิ่งกว่านั้นขอย้ําว่าสิ่งที่มนุษย์ปุตุชนหรือคนทั่วไป รวมทั้งนักทฤษฎีและเจ้าลทัทธิทั้งหลายจะมาคิดนึกพูดจาเอาเป็นอัตตากันได้ก็มีแค่เรื่องของสังขารหรือสิ่งที่อยู่ในขันห้าทั้งนั้นและเท่านั้นดังนั้นการชี้ความเป็นอนัตตาจึงเจาะเพียงและจบพอที่เรื่องขันห้านั้นทั้งนี้สอดคล้องกับพุทธดำรัสที่ว่าภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลายก็ดีพราหมณทั้งหลายก็ดีเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตามที่มองเห็นอัตตาหรือตัวตนแบบต่างๆหลากหลายเป็นอนเนกย่อมมองเห็นอุปาทานนักขันเหล่านั้นทั้งหมดหรือไม่ก็มองเห็นขันใดขันหนึ่งในบรรดาอุปาทานนักขันเหล่านั้นว่าเป็นอัตตาเหล่าคือภิกษุทั้งหลายอุตุชนในโลกนี้ผู้มิได้เรียนสดับ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 พูดอีกอย่างหนึ่งว่าการยึดถืออัตตามีแค่ที่มีคันห้าและมีเพราะไปยึดมั่นคันห้านั้นไว้ตามพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะอาศัยอะไรเพราะยึดถืออะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา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 ถึงตอนนี้จึงมาดูคำอธิบายเกี่ยวกับความเป็นอนัตตาของขันห้าแบบทั่วๆไปที่ท่านขยายความออกไปในแง่ต่างๆแม้ว่าในคำอธิบายทั่วๆไปนี้ท่านแสดงความหมายกันไว้หลายในยะแต่เราอาจจะเริ่มต้นด้วยคำภีปฏิสัมพิธามักที่แสดงอัตถะของอนัตตาไว้อย่างเดียวว่าชื่อว่าเป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่มีสาระ บาลีว่าอซาระกัเธนะที่ว่าไม่มีสาระก็คือไม่มีแก่นสารไม่มีแกนหรือไม่มีแกนหมายความว่าไม่มีสิ่งซึ่งเป็นตัวแท้ที่ยั่งยืนคงตัวอยู่ตลอดไปดังคําอธิบายว่าโดยความหมายว่าไม่มีสาระหมายความว่าไม่มีสาระคือตัวตนคืออัตสาระ ตัวตนที่เป็นแก่นหรือตัวตนที่เป็นแกนที่คิดกันเอาว่าเป็นอัตามันคืออัตตาหรือตัวตนเป็นผู้สิงอยู่หรือครองอยู่คือนิวาสีเป็นผู้สร้างหรือผู้สร้างสารร์บันดาลคือการะกะเป็นผู้เสวยคือเวทกะเป็นผู้มีอำนาจในตัว คือสยังวสีเพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์คือคงตัวอยู่ไม่ได้มันไม่สามารถห้ามความไม่เที่ยงหรือความบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปแม้ของตัวมันเองได้และความเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลเป็นต้นของมันจะมีมาจากที่ไหนเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายก็ถ้ารูปนี้จะได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือมีความบีบคั้นขัดแย้งขัดข้องต่างๆดังนี้เป็นอาธิจะสังเกตเห็นว่าความหมายที่ว่าไม่มีสาระคือตัวตนนี้ท่านกล่าวไว้โดยสัมพันธ์กับความหมายว่าดนบันดาลไม่ได้ หรือไม่มีอํานาจในตัวทั้งนี้เพราะถ้ามีตัวตนคงที่ยั่งยืนอยู่เป็นแก่นเป็นแกนจริงแล้วก็ย่อมขืนย่อมฝืนความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ต้องเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงนั้นยิ่งถ้าเป็นผู้ครอบครองก็ย่อมต้องมีอํานาจบังคับสิ่งที่ถูกครอบครองให้เป็นไปอย่างไรอย่างไรก็ได้ตามปรารถนาแต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ความไม่เป็นตัวตนและความไม่มีตัวตนสิงสู่อยู่กรองจึงมีความหมายเด่นในแง่ที่ว่าไม่มีอำนาจบังคับไม่เป็นไปในอำนาจกัดแย้งต่อความปรารถนาพึงสังเกตด้วยว่าตามคาอธิบายนี้แม้แต่พระพรมพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพเจ้าสูงสุดใดๆก็ตามที่ถือว่าเป็นผู้สร้างผู้บ ร, รดา ทั้งหมดทั้งปวงล้วนเป็นสังขารรวมอยู่ในคันห้าทั้งสิ้นโดยในยะนี้คำพีรุ่นอธกถาจึงนิยมแสดงความหมายของอนัตตาว่าชื่อว่าอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจคืออวสาวัฒนะเทนะหรืออวสาวัฒนโตที่แปลว่าเพราะไม่เป็นไปในอำนาจ และอธิบายในธรรนองว่าไม่มีใครมีอำนาจบังคับตามใจปรารถนาโดยไม่ทาตามเหตุปัจจัยไม่มีใครมีอำนาจบังคับต่อสังขารทั้งหลายว่าสังขารที่เกิดขึ้นแล้วจงอย่าถึงความทรงอยู่ที่ถึงความทรงอยู่แล้วอย่าชราที่ถึงชราแล้วจงอย่าแตกดับจงอย่าบอบโรมด้วยการเกิดขึ้นและเสื่อมสลาย ตลอดจนอ้างพุทธพจน์ที่ตรัสว่าบุคคลย่อมไม่ได้ตามปรารถนาในรูปและในขันอื่นๆว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้ขยายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏเป็นต่างๆนั้นเมื่อวิเคราะห์ตามสภาวะถึงที่สุดแล้วหาใช่มีตัวแท้ตัวจริงที่คงที่คงตัวยั่งยืนอยู่ยง ดังที่เรียกชื่อกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่แต่เป็นเพียงกระบวนธรรมะคือธรรมะประวัติคือกระบวนการแห่งสังขารธรรมทั้งหลายหรือกระบวนแห่งรูปธรรมและนามธรรมหรือขันธะประวัติที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประชุมหรือประมวลกันเข้าและองค์ประกอบเหล่านั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนมีการเกิดขึ้นและความเสื่อมสลาย เป็นไปโดยอาการที่สัมพันธ์สืบเนื่องส่งทอดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันทั้งภายในกระบวนธรรมะที่กาหนดแยกว่าเป็นกระบวนหนึ่งหนึ่งแล้วระหว่างกระบวนธรรมะต่างกระบวนทั้งหลายในสภาวะเช่นนี้มีสิ่งที่ควรกาหนดเป็นข้อเด่นอยู่สีประการคือหนึ่งไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสิ่งนั้น ยืนตัวเป็นแก่นเป็นแกนอยู่ 2. ส, สภาพที่ปรากฏนั้นเกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกันปรุงแต่งขึ้น 3. องค์ประกอบเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลาและสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันประมวลขึ้นเป็นกระบวนธรรม สถ้ากําหนดแยกออกเป็นกระบวนธรรมะย่อยๆมากหลายก็มีความสัมพันธ์เป็นปัจจัยต่อกันระหว่างต่างกระบวนธรรมะด้วยกระบวนธรรมะที่องค์ประกอบต่างๆซึ่งเกิดสลายและสัมพันธ์เป็นปัจจัยแ ก, ก่การประมวลขึ้นนี้ดําเนินไปเรื่อยๆปรากฏภาพและกลายไปต่างๆ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 ยึดยงคงที่ ป, <K l uch ing> ปื้นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยสามารถทําให้เป็นไปโดยลําพังตามปรารถนาของตนได้หรือในความหมายว่าเป็นตัวการภายนอกที่สามารถสร้างสรรค์ดลบรร ด, ดาลให้เป็นไปอย่างอื่นโดยไม่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อองค์ประกอบต่างๆประชุมกันเข้า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 ก็ไม่มีชื่อที่ตั้งให้แก่ภาพรวมนั้นเป็นตัวตนสมมุติที่สร้างขึ้นสอนสภาวะที่เป็นจริงสอนอยู่ลอยๆไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงไม่มีอำนาจไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนธรรมะที่กำลังเป็นไปอยู่นั้นเลยนอกจากโดยความยึดถือซึ่งก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งอยู่ในกระบวนธรรมะเอง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 เพราะตัวคงที่ซึ่งไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นขวางขืนกระแสอยู่พาให้องค์ประกอบต่างๆเรรวนไปหมดไม่เป็นกระบวนธรรมยิ่งกว่านั้นตัวตนซอนนั้นก็กลายเป็นตัวการพิเศษซึ่งอาจจะขัดขวางแทรกแซงและบิดพันธธรรมะทั้งหลายให้เป็นไปอย่างอื่นจากความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอีกด้วย แต่ความเป็นไปที่แท้จริงก็คือสังขารธรรมทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยดังนั้นตัวตนต่างหากจากกระบวนธรรมะจึงไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกกระบวนธรรมะนั้นก็ตามจะมีได้ก็แต่ตัวตนสมมุติที่จะพึงรู้จักใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันถ้ามิฉนั้นหากไม่มีปัญญารู้เข้าใจ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 ได้หลายแห่งเช่นพระบาหลีว่าอาศัยเครื่องไม้เถาเชือกดินฉาบและหญ้ามุงมีช่องว่างแวดล้อมย่อมเรียกกันว่าเป็นเรือนชั้นใดอาศัยกระดูกเส้นเอ็นเนื้อหนังมีช่องว่างแวดล้อมย่อมเรียกกันว่าเป็นตัวตนคือรูปฉั้นนั้น มานถามพระวชิราภิกษุณีว่าสัตว์นี้คือตัวบุคคลนี้ใไรสร้างผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์เกิดที่ไหนสัตว์ดับที่ไหนพระวชิราภิกษุณีตอบว่านี่แนมานท่านเชื่อหรือว่าเป็นสัตว์คือเป็นตัวบุคคลท่านมีความเห็นอย่างนั้นหรือ นี่คือกองแห่งสังขารล้วนจะหาตัวสัตว์ในนี้ไม่ได้เลยเพราะประชุมส่วนประกอบเข้าด้วยกัน ย, ย่อมมีสับเรียกว่ารถชันใดเมื่อขันคือกองแห่งรูปธรรมและนมามธรรมทั้งหลายมีอยู่ก็มีสมมุติเรียกว่าสัตว์ฉันนั้นแท้จริงทุกคือสภาพไม่คงตัวทุกเท่านั้นเกิดมี และทุกก็ตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปนอกจากทุกขคือสภาพไม่คงตัวไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับพระเสลาภิกษุณีตอบว่าร่างนี้ไม่มีใครสร้างตัวนี้ไม่มีใครบันดาล อาศัยเหตุมันก็เกิดมีเพราะเหตุสลายมันก็ดับเมล็ดพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาวานในนาอาศัยรดในแผ่นดินและอย่างในมเมล็ดพืชทั้งสองอย่างนี้ก็ยอมงอกงามขึ้นได้ชันใดฉันนั้นเหมือนกันประดาขันธาตุทั้งหลายและอายตนะทั้งหกเหล่านี้อาศัยเหตุย่อมเกิดมีเพราะเหตุสลาย ก็ยอมดับไปช้างม้าหล่อทหารและยานรบทั้งหลายรวมๆเข้าด้วยกันก็เรียกว่ากองทัพตึกรามบ้านเรือนผู้คนและกิจการต่างๆมากมายชุมนุมกันอยู่ก็เรียกว่าเมืองมือกับนิ้วรวบเข้าด้วยกันในท่าหนึ่งก็เรียกว่ากำปั้น หรือหมัดกัมปัญหรือหมัดไม่มีอยู่จริงมีแต่มือและนิ้วมือและนิ้วเมื่อแยกส่วนประกอบย่อยๆออกไปก็ไม่มีเช่นเดียวกันวิเคราะห์กระจายส่วนออกไปได้โดยลำดับจนหาตัวตนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ประสูตรทั้งหลายมากมายแสดงแต่เรื่องนามรูปหรือนมามธรรมและรูปธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์หรือบุคคลเลยเมื่อว่าโดยสรุปพระอัตฐกถาจาร์ประมวลความหมายของอนัตตาแสดงไว้เป็นหมวดรวมสี่นัยยะซึ่งแม้ว่าท่านม er ah ักใช้อธิบายสังคตาธรรมหรือข e ันห้าที่คนทั่วไปเกี่ยวข้องแต่ก็อธิบายอสังคตาธรรมได้ด้วย ความหมายอนัตตาในยะที่หนึ่งสุญญโตเพราะเป็นสภาพว่างคือเป็นแต่สภาวะธรรมซึ่งมีภาวะของมันตามที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเองปราศจากตัวตนที่เป็นแกน่นเป็นแกนคือปราศจากอัตตาสาระสาระคือตัวตนหรือว่างจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริง ไม่มีตัวผู้สิงสู่อยู่ครองไม่มีตัวผู้สร้างสารรค์บันดาลไม่มีตัวผู้เสวยนอกจากโดยการสมมุติพูดง่ายๆว่าว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจากความเป็นนั่นเป็นนี่ที่ยึดถือกันไปโดยกำหนดหมายกันขึ้นความหมายของอนัตตา ในยะที่สองอสสามิโกโตเพราะเป็นสภาพไร้เจ้าของคือไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่เป็นของของใครหรือของตัวตนใดๆไม่มีตัวตนที่จะเป็นเจ้าของครอบครองสภาวะธรรมทั้งหลายซึ่งมีภาวะอันเป็นไปของมันอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่เป็นสังคตะหรืออสังคตะอยู่แล้ว ความหมายของอนัตตาในยะที่สามอวสาวัตนาโตเพราะไม่เป็นไปในอำนาจคือโดยธรรมดาที่เป็นสภาวะธรรมซึ่งมีภาวะตามที่เป็นของมันอย่างนั้นอย่างนั้นมันจึงไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่ขึ้นต่อผู้ใดไม่มีตัวตนที่ไหนจะมีอำนาจสั่งบังคับมันได้ ใครจะเรียกร้องหรือปรารถนาให้มันเป็นอย่างใดอย่างใดไม่ได้ใช้ศัพบอีกอย่างหนึ่งว่าอนิสรโตแลว่าเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าใหญ่ไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนจะมาเป็นใหญ่ที่จะบงการหรือใช้อำนาจบังคับมันได้บางแห่งใช้ว่าอากามการิยโตแลว่า เราเป็นสภาพที่ไม่อาจทำได้ตามความอยากคือจะให้เป็นไปตามความอยากความปรารถนามิได้หรือจะเอาใจอยากเข้าว่าไม่ได้รวมความว่าไม่มีตัวตนอะไรจะมาเป็นใหญ่เหนือมันมันไม่อยู่ในอำนาจของใครใครจะสั่งบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ไม่ได้ขึ้นต่ออำนาจหรือความปรารถนาของใคร ถ้าเป็นอสังคตาธรรมก็มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาวะที่ไม่ขึ้นต่อปัจจัยอยู่อย่างนั้นไม่มีอัตตาที่ไหนไปครอบครองมีอำนาจเหนือมันได้อีกถ้าเป็นสังคตาธรรมมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันใครจะไปสั่งบังคับมันให้เป็นไปตามปรารถนาตามใจอยากไม่ได้เช่นมันเกิดขึ้นแล้วจะสั่งว่าอย่าตั้งอยู่มันตั้งอยู่แล้ว จะสั่งว่าอย่าโซมมันโทมแล้วจะสั่งว่าอย่าสลายไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อมันขึ้นต่อเหตุปัจจัยของมันจึงมีแต่ว่าถ้าต้องการจะให้มันเป็นอย่างไรก็ต้องทำการอันเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้มันเป็นไปของมันที่จะเป็นอย่างนั้นคือต้องทำเหตุปัจจัยเอาหรือต้องทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยขึ้นมา ความหมายของอนัตตาในยะที่สี่อตตปฏิเคปโตประแยงต่ออัตตาคือโดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธอัตตาอยู่ในตัวหมายความว่าโดยธรรมดาที่เป็นสภาวะธรรมซึ่งมีภาวะตามที่เป็นของมันอย่างนั้นอย่างนั้นถ้ามีอัตตาก็ย่อมขัดแย้งกัน ทำให้ภาวะของสภาวะธรรมไม่เป็นอยู่เป็นไปตามที่มันเป็นของมันอย่างนั้นอย่างนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอัตตาในเรื่องนี้สําหรับคนทั่วไปก็ดูง่ายๆและเพื่อปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ด้วยโดยดูที่สังคต ธ, ธรรมซึ่งเป็นกระบวนธรรมะที่องค์ประกอบทั้งหลายสัมพันธ์กันดําเนินไปด้วยความเป็นไปตามเหตุปัจจัย อันเป็นการปฏิเสธอยู่ในตัวว่าไม่มีตัวตนต่างหากซ้อนอยู่ที่จะมาแทรกแซงบงการหรือแม้แต่ขวางขืนความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและตัวตนต่างหากเช่นนั้นมีไม่ได้เพราะถ้ามีก็ไม่อาจมีความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่จะกลับกลายเป็นว่าต้องเป็นไปตามความบังคับวงการของตัวตนนั้น อีกอย่างหนึ่งกระบวนธรรมะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นมีความสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมในตัวอยู่แล้วไม่จําเป็นและไม่อาจจะมีตัวการอย่างอื่นที่จะเข้ามาแทรกแซงสั่งการอีกได้มีความหมายอีกสองอย่างซึ่งแม้จะรวมอยู่ในความหมายสีข้อต้นแล้วแต่เห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ ควรนับเป็นข้อต่างหากไว้เพราะเป็นลนักษณะที่ใช้เสริมคำอธิบายได้ดีสำหรับสังคตาธรรมซึ่งมีความเป็นกระบวนธรรมะอาจจะเห็นเด่นชัดเมื่อวิเคราะห์กระบวนธรรมะออกไปจึงขอนามาเพิ่มต่อไว้ด้วยความหมายของอนัตตาในยะที่ห้าสุทธสังขาระปุญชะโตหรือสุทธธรรมะปุญชะโต เพราะเป็นกองแห่งสังขารทั้งหลายล้วนๆหรือเป็นกองแห่งธรรมะทั้งหลายคือรูปธรรมและหรือนามธรรมล้วนๆหรืออังคาสัมภาระโตเพราะเป็นการประกอบกันขึ้นของส่วนย่อยต่างๆคือเกิดจากส่วนประกอบย่อยๆทั้งหลายมาประชุมหรือประมวลกันขึ้นไม่เป็นตัวตนชิ้นอันที่สมบูรณ์ในตัวที่จะยั่งยืนคงตัวอยู่ได้ ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนที่แท้จริงนอกเหนือจากส่วนประกอบเหล่านั้นซึ่งความหมายข้อนี้เน้นอยู่แล้วในความหมายข้อที่หนึ่งข้างต้นความหมายของอนัตตาในยะที่หกยะถาปัจยะประวัติโตเพราะความเป็นไปตามเหตุปัจจัย คือองค์ประกอบทั้งหลายที่ประมวลหรือประชุมกันเข้านั้นต่างสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันเรียก ร, มรวมๆว่ากระบวนธรรมนั้นเป็นไปนตามเหตุปัจจัยไม่เป็นไปนตามความปรารถนาของใครและไม่อาจมีตัวตนไม่ว่าจะเป็นตัวแกนภายในหรือตัวการภายนอกที่จะขวางขืนหรือบงการบังคับมันได้ความหมายข้อนี้ แทกอยู่ทั่วไปในความหมายทั้งสี่ข้อข้างต้นโดยเฉพาะข้อที่สมและสี่รวมความว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันถ้าเป็นสังคตะก็เป็นตามเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยมีที่จะให้เป็นอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นอย่างนั้นเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นหมด มันก็ดับจากสภาพอย่างนั้นมันหาฟังเสียงใครอ้อนวอนขอร้องหรือปรารถนาไม่มันไม่เป็นตัวไม่เป็นอะไรอะไรอย่างที่ว่ากันหรือเป็นของใครทั้งนั้นความหมายของอนัตตาเท่าที่กล่าวมาในตอนนี้เน้นในแง่ที่เป็นลักษณะของสังขารหรือสังคตตาธรรม ซึ่งคนทั่วไปเกี่ยวข้องและควรจะรู้เข้าใจดังได้ชี้แจงไว้ข้างต้นแล้วจุดสำคัญที่มีความเข้าใจไขว้เขวและหลงผิดกันมากก็คือความรู้สึกว่ามีตัวผู้คิดต่างหากจากความคิดหรือผู้คิดความคิดมีผู้จงใจหรือเจตนาต่างหากจากเจตนามีผู้เสพสวยเวทนา ต่างหากจากเวทนาตลอดจนมีตัวผู้ทำกรรมตัางหากจากกรรมหรือตังหากจากการกระทำแม้แต่นักปราตะใหญ่มากมายก็พากันติดอยู่ในกับดักของความหลงผิดอันนี้จึงไม่สามารถเข้าถึงความจริงที่ล้วนๆบริสุทธิ์ปราศจากการเคลือบคลุมของความรู้สึกที่เป็นอัตราวิสัย ดังเช่นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งพิจารณาไตรตรองเป็นหนักหนาเกี่ยวกับความสงสัยครุนคิดไปมาแล้วก็ลงข้อสรุปว่าฉันคิดเพราะฉะนั้นฉันจึงมีความรู้สึกในตัวตนหรืออัตตาหรืออัตมันที่แยกออกมาอย่างนี้เป็นความรู้สึกสามัญของปุถุชนโดยทั่วไป เป็นความรู้สึกที่นึกหน้าสมจริงและคล้ายจะสมเหตุสมผลโดยสามัญสำนึกแต่เมื่อสืบสาวลึกลงไปให้ตลอดสายจะมีความขัดแย้งในตัวเองคำถามทํานองนี้ได้มีผู้ยกขึ้นทูลถามพระพุทธเจ้ามาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธการเช่นว่าใครนอะพัสสะคือใครรับรู้ใครเสวยเวทนา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 อธิบายว่าการคิดก็ดีความจงใจเจตนาก็ดีการอยากการปรารถนาก็ดีการสวยเวทนาก็ดีเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการแห่งรู ป, ปรธรรมและนามธรรมชันใดความรู้สึกถึงตัวผู้คิดหรือตัวผู้เจตนาเป็นต้นก็เป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนธรรมนั้นฉันนั้นและองค์ประกอบเหล่านั้น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 หรือความคิดว่ามีตัวผู้คิดก็ดีต่างก็เป็นความคิดต่างขณะกันที่อยู่ในกระบวนธรรมะเดียวกันส่วนตัวผู้คิดก็เป็นเพียงภาพความคิดปรุงแต่งที่กลับมาเป็นอารมณ์คือส่วนประกอบอย่างหนึ่งของความคิดอีกขณะหนึ่งเท่านั้นเองความเข้าใจเขวหรือหลงผิดที่กล่าวมานี้ เกิดจากการพิจารณาโดยไม่แยบขายหรืออโยนิโสมนสิการเข้าหลักทิฏฐิหกอย่างใดอย่างหนึ่งในพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อปุทุชนนั้นมณสิการโดยไม่แยบขายอย่างนี้ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิหกอย่างย่อมเกิดขึ้นคือเขาย่อมเกิดทิฏฐิคือยึดถือเอาเป็นจริงเป็นแท้ว่าเรามีอัตตาเราไม่มีอัตตา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 ที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าชื่อที่ตั้งให้แก่ภาพรวมเป็นตัวตนสมมุติที่ซ้อนอยู่ลอยๆไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนรธรรมะเลยนอกจากโดยความยึดถือนั้นขอขยายความเสริมเข้าอีกว่าถึงแม้ตัวตนจะไม่มีอยู่จริงก็ตามแต่ความยึดถือนในตัวตนนั้นก็กกอให้เกิดปัญหาได้เพราะความยึดถือนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในกระบวนรธรรมะเมื่อเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งมันก็เป็นปัจจัยแก่องค์ประกอบอย่างอื่นและทำให้เกิดผลกระทบแก่กระบวนรธรรมะได้เนื่องจากความยึดถือตัวตนนั้นเป็นปัจจัยฝ่ายอากุศลคือไม่เกื้อกูลเพราะเกิดจากอวิชชาความไม่รู้ตามเป็นจริงและเกิดขึ้นโดยอาการแทรกแซงเข้ามาขวางคืนกระแส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 ถือมั่นตัวตนที่สมมุติขึ้นเป็นจริงจังก็จะถูกความยึดติดถือมั่นนั่นแหละบีบคั้นกระทบกระแทกเอาทําให้ได้ความรู้สึกทุกข์เป็นอันมากส่วนผู้รู้เท่าทันสมมุติไม่ยึดติดถือมั่นในตัวตนนั้นก็มองเห็นแต่กระบวนธรรมะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเขาสมมุติเรียกขานกระบวนธรรมะนั้นกันอย่างไร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 ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยก่อให้เกิดความบีบคั้นขัดแย้งขยายเพิ่มพูนและกว้างขวางออกไปทั้งภายในและภายนอกผู้ไม่รู้เท่าทันสมมุติหลงยึดติดถือมั่นตัวตนเป็นจริงจังจะปล่อยให้กิเลสเหล่านี้เป็นตัววงการบัญชาการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของตนให้เป็นความทุกข์แพร่หลายและเพิ่มทวีทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง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 มีตัวจริงตัวแท้ที่ยังยืนคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าคนจะตายชีวิตจะสิ้นสุดตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวตนดวงชีวะอัตมันหรืออัตตาหรือโสนี้ก็จะคงอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่สูญสลายไปด้วยบางก็ว่าอัตตาตัวนี้ไปเวียนว่ายตายเกิดบางก็ว่าอัตตาตัวนี้รออยู่ เพื่อไปสู่นรกหรือสวานิรันดรนสุดแต่คําตัดสินของเทพสูงสุดความเห็นของคนพวกนี้เรียกว่าสัตสตตทิฏฐิหรือสัตสตวาสแปลว่าความเห็นว่าเที่ยงคือเห็นว่าสัตบุคคลตัวตนหรืออัตตาเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไป ส่วนคนอีกพวกหนึ่งก็เห็นว่ามีตัวตนเช่นนั้นอยู่คือยึดถือสัตว์บุคคลเป็นตัวแท้ตัวจริงแต่สัตว์บุคคล น, นั้นไม่เที่ยงแท้ถาวรสูญสลายไปได้เมื่อคนตายชีวิตจบสิน้นสัตบุคคลก็ขาดสูนตัวตนก็หมดไปความเห็นของคนพวกนี้เรียกว่าอุเฉททิฏฐิ หรืออุเฉทววาดแปลว่าความเห็นว่าขาศูนย์คือเห็นว่าสัตบุคคลตัวตนหรืออัตตาไม่เที่ยงแท้ถ า, าวรดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วก็สูญสิ้นไปแม้แต่ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาถ้าเข้าใจไม่ชัดเจนท้องแท้ก็อาจตกไปในทิฏฐิสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักกรรมในแง่สังสารวัตรเวียนตายเวียนเกิดถ้าเข้าใจพลาดก็อาจกลายเป็นสัตสตาทิฏฐิคือเห็นว่าเทียงผู้ที่ศึกษาหลักอนัตตาถ้าเข้าใจพลาดก็อาจกลายเป็นอุเฉททิฏฐิคือเห็นว่าขาดศูนย์จุดพลาดที่เหมือนกันของทิฏฐิสุดโตรงทั้งสองอย่าง ก็คือความเห็นว่าหรือยึดมั่นว่าสัตบุคคลที่เป็นตัวตนแท้จริงแต่พวกหนึ่งยึดว่าสัตบุคคลตัวตนนั้นคงตัวอยู่ยั่งยืนตลอดไปอีกพวกหนึ่งเห็นไปว่าสัตบุคคลตัวตนที่มีอยู่นั้นมาถึงจุดหนึ่งต่อนหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อกายแตกสลายชีวิตนี้สิ้นสุดสัตบุคคลตัวตนหรืออัตตา ก็ถูกตัดขาดสูญสิ้นไปด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกพวกหนึ่งที่เห็นเลยเถิดไปอีกทางหนึ่งว่าความไม่มีตัวตนก็คือไม่มีอะไรเลยความไม่มีสัตว์บุคคลก็คือไม่มีผู้รับผลเมื่อไม่มีใครรับผลการกระทำใดใดก็ไม่มีผลทมก็ไม่เป็นอันธรรมไม่มีความรับผิด ช, ชอบต่อกรรม หรือพูดง่ายๆว่ากรรมไม่มีนั่นเองความเห็นและความยึดถือแนวนี้ถ้าแยกละเอียดออกไปก็มีสามทิฏฐิคือพวกหนึ่งเห็นว่าธรรมก็ไม่เป็นอันธรรมหรือว่าการกระทำไม่มีผลเรียกชื่อว่าอากิริยะทิฏฐิหรืออกิริยวาสพวกหนึ่งเห็นว่า สิ่งทั้งหลายเป็นไปอย่างเลื่อนลอยสุดแต่ความบังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยพูดง่ายๆว่าเห็นว่าไม่มีเหตุเรียกชื่อว่าอาเหตุตุกะทิฏฐิหรืออเหตุตุกกาวาดและพวกหนึ่งเห็นว่าหรือถือว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีสภาวะที่จะกําหนดเอาเป็นหลักเป็นสาระได้เรียกชื่อว่านัติกาทิฏฐิ หรือนติกาวาดในเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนธรรมะเกิดจากส่วนประกอบต่างๆประมวลกันขึ้นและเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ย่อมไม่มีทั้งตัวตนที่จะเที่ยงแท้ยั่งยืนและทั้งตัวตนที่จะดับสิ้นขาดสูญ คือแม้แต่ในขณะที่เป็นอยู่นี้ก็ไม่มีสัตบุคคลตัวตนอยู่แล้วจะเอาตัวตนที่ไหนมายั่งยืนจะเอาตัวตนที่ไหนมาขาดศูนย์เป็นอันปฏิเสธทั้งสัสตตตทิทิและอุเฉททิิในเมื่อกระบวนธรรมะดำเนินไปอยู่โดยองค์ประกอบทั้งหลายสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยแก่กันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยจะว่าไม่มีอะไรได้อย่างไรและจะว่าสิ่งทั้งหลาย เป็นไปอย่างเลื่อนลอยตามความบังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยได้อย่างไรเป็นอันปฏิเสธทั้งนักติกาทิฏฐิและอาเหตุตกาทิฏฐิในเมื่อกระบวนธรรมะดำเนินไปตามเหตุปัจจัยแปลเปลี่ยนไปตามเหตุและผลที่เกิดขึ้นในกระบวนธรรมะนั้นการกระทาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเหตุอยู่ในกระบวนธรรมะนั้นจึงย่อมจะต้องมีผล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 เป็นผู้รับผลเสียอีกเพราะถ้ามีตัวตนที่เที่ยงแท้ของตัวตัวตนนั้นอาจปฏิเสธไม่ยอมรับผลก็ได้ในเมื่อความเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีอยู่เหตุและผลเกิดขึ้นในกระบวนธรรมะกระบวนธรรมะก็แปรเปลี่ยนไปจะว่าทาไม่เป็นอันธรรมหรือการกระทําไม่มีผลได้อย่างไร เป็นอันปฏิเสธอกิริยาทิฏฐิหรืออกิริยาวาดข้อความต่อไปนี้จากคำภีวิสุทธิมักอาจช่วยเสริมความที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้จึงขอยกคำแปลมาแสดงไว้ณที่นี้ว่าด้วยความจริงแท้คือสัจจะ ในโลกนี้มีแต่น้ำแล้วรูปคือนมามธรรมและรูปธรรมก็แหลในน้ำแล้วรูปนั้นสัตว์หรือคนก็หามีไม่น้ำแล้วรูปนี้ว่างเปล่าถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเหมือนดังเครื่องยนต์เป็นกองแห่งทุกข์คือสิ่งไม่คงตัวเช่นกับหญ้าและฝืนทุกนั่นแหละมีอยู่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 อย่างนี้นี่เป็นความเห็นที่ถูกต้องเมื่อกรำและวิบากคือผลของกรรมพร้อมทั้งเหตุเป็นไปอยู่อย่างนี้ต้นปลายก็ไม่เป็นที่รู้ได้เหมือนดังก่อนหรือหลังแห่งมเมล็ดพืชกับต้นไม้เป็นต้นแม้ในอนาคตเมื่อสังสาระยังมีอยู่ก็ยังมองไม่เห็นการที่จะไม่เป็นไปของกรำและวิบาก พวกเดียรถีไม่รู้ความข้อนี้จึงไม่เป็นอิสระบาลีว่าอสยังวสีหมายถึงไม่มีอำนาจในตนหรือไม่เป็นตัวของตนเองต้องคืนต่อผู้อื่นด้วยการยึดถือผิดพวกเดียรถีไม่รู้ความข้อนี้จึงไม่เป็นอิสระยึดเอาสัตตสัญญาความสำคัญหมายว่าเป็นสัตบุคคล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 ส่วนภิกษุพุทธสาวกรู้กระจ่างความที่ว่ามาอย่างนี้ยอมเข้าใจปรุปโปรงคือแทงตลอดถึงปัจจัยที่เลือกซึ้งละเอียดและว่างกรรมไม่มีในวิบากวิบากก็ไม่มีในกรรมทั้งสองอย่างว่างจากกันและกันแต่ปราศจากกรรมผลก็ไม่มี เหมือนดังว่าฟไฟมิใช่อยู่ในแสงแดดมิใช่อยู่ในแว่นแก้วอย่างเลนนูนมิใช่อยู่ในมูลโคแห้งที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแต่ก็มิใช่อยู่ภายนอกจากวัตถุทั้งสามนั้นหาเกิดจากการประกอบพร้อมเข้าด้วยกันชั้นใดวิบากก็หาไม่ได้ที่ภายในกรรมแต่ภายนอกกรรมก็หาไม่ได้ส่วนกรรมเล่า ก็ไม่มีในวิบากนั้นกรรมว่างจากผลผลก็ไม่มีในกรรมแต่ผลก็อาศัยกรรมนั่นแหละเกิดขึ้นจากกรรมนั้นฉันนั้นแท้จริงในกระบวนแห่งสังสาระนี้เทพก็ตามพรหมก็ตามผู้สร้างสังสาระหามีไม่ มีธรรมะทั้งหลายล้วนเป็นไปโดยอาศัยการประชุมพร้อมแห่งเหตุปัจจัยธรรมชาตินี้มีเหตุเกิดขึ้นพร่างพร้อมแล้วอย่างนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงคลอนแคลนเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนธรรมะทั้งหลายก็เกิดจากธรรมะทั้งหลายโดยเป็นเหตุกันในกระบวนความเป็นไปนี้ จึงไม่มีตัวตนคืออัตตาไม่มีทั้งตัวอื่นธรรมะทั้งหลายอย่างธรรมะทั้งหลายให้เกิดขึ้นโดยความประกอบพร้อมแห่งเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมะเพื่อความดับแห่งเหตุทั้งหลายเมื่อเหตุทั้งหลาย ร, งระงับไปวงจรคือวัฏฏะขาดก็ไม่หมุนต่อไป พระมรรจันต์คือชีวิตประเสริฐย่อมมีเพื่อการทําความจบสิ้นทุกอย่างนี้เมื่อหาตัวสัตว์ไม่ได้จึงไม่มีทั้งขาศูนย์ไม่มีทั้งเที่ยงแท้ยั่งยืนกล่าวโดยสรุปหลักอนัตตาช่วยให้เกิดความประจ่างแจ้ง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันและมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักการต่อไปนี้คือ 1. ปฏิเสธทั้งลัทธิที่ถือว่าเที่ยงคือสัตสตวาตและลัทธิที่ถือว่าขาดศูนย์คืออุเฉทวาต 2. สปฏิเสธลัทธิที่ถือว่ามีเทพสูงสุดผู้สร้างสารรค์บรรดาโลกกำหนดโชคชะตาชีวิตของมนุษย์ คืออีสวนนิรมิตตวาด 3. เป็นเครื่องสนับสนุนหลักกรรมตามความหมายของพุทธธรมรมร้อมกันนั้นก็ปฏิเสธลัทธิที่ถือว่าการกระทาไม่มีผลทำไม่เป็นอันธรรมคืออากิริยาวาดปฏิเสธลัทธิกรรมเก่าคือปุเพกตะวาดเช่นลัทธินิครณ ปฏิเสธลัทธิกรรมแบบมีอาตมันหรือลัทธิกรรมแบบมีวันนะเช่นลัทธิฮินดูปฏิเสธลัทธิเสียงโชคที่ถือว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างเลื่อนลอยสุดแต่ความบังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยคืออเหตุตุกาวาสและปฏิเสธที่ถือว่าไม่มีอะไรเลยคือนัตติกาวาส 4แสดงลักษณะแห่งบรมธรรมธรรมะสูงสุดคือจุดหมายสุดท้ายของพระพุทธศาสนาซึ่งต่างจากจุดหมายของลัท ธ, ธิศาสนาจำพวกอัตรมาวาดคือลัท ธ, ธิที่ถือว่ามีอัตมันหรืออั ต, ตาเช่นศาสนาฮินดูเป็นต้นลักษณะทั้งสาม คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาที่ได้บรรยายมานี้เป็นภาวะที่สัมพันธ์เนื่องอยู่ด้วยกันเป็นอาการสามด้านหรือสามอย่างของเรื่องเดียวกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันดังพุทธพจนทท่ตรัสบ่อยๆว่ายะธานิจจังตังทุกขอังอยังทุกขังตัทนัตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุก สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและมักมีข้อความที่ตรัสต่อไปอีกด้วยว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นว่านั่นไม่ใช่ของเราม่ใช่เราเป็นนั่นนั่นไม่เป็นตัวตนของเราหรือที่ตรัสในรูปคาถามคำตอบ ในที่หลายแห่งว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นเมื่อได้รับคํากราบทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็ตรัสต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกหรือเป็นสุขเมื่อได้รับคํากราบทูลตอบว่าเป็นทุกขก็ตรัสต่อไปว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความรวนแรงไปได้เป็นธรรมดา ควรหรือที่จะมองเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราความเนื่องอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์สืบต่อกันความเป็นต่างด้านของเรื่องเดียวกันและความเป็นเหตุเป็นผลแก่กันของลักษณะทั้งสามนี้อาจกล่าวให้สั้นที่สุดได้ว่า สิ่งทั้งหลายเกิดจากองค์ประกอบต่างๆประมวลกันเข้าองค์ประกอบเหล่านั้นสัมพันธ์กันโดยอาการที่ต่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับสลายเป็นปัจจัยส่งต่อสืบทอดกันพันแปรเรื่อยไปรวมเรียกว่าเป็นกระบวนธรรมะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยในสภาพนี้หนึ่ง ภาวะที่องค์ประกอบทั้งหลายเกิดสลายเกิดสลายองค์ประกอบทุกอย่างหรือกระบวนธรรมะทั้งหมดไม่คงที่คืออนิจจตา 2. ภาวะที่องค์ประกอบทั้งหลายหรือกระบวนธรรมะทั้งหมดถูกบีบคั้นด้วยการเกิดสลายเกิดสลายต้องผันแปรไปทนอยู่ในสภาพเดิมมิได้ไม่คงตัว คือทุกขตา 3. ภาวะที่เกิดจากองค์ประกอบทั้งหลายประมวลกันขึ้นไม่มีตัวแกนถาวรที่จะบงการต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เป็นตัวคืออนัตตาถ้ามองดูลักษณะทั้งสมอย่างนี้พร้อมไปด้วยกันก็จะมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่สมมุติเรียกเป็นตัวตนอันหนึ่งอันหนึ่งนั้นเป็นที่รวมขององค์ประกอบต่างๆมากมายที่มาแอออดยัดเยียดกันอยู่และองค์ประกอบเหล่านั้นทุกอย่างล้วนกําลังเกิดดับแตกสลายไม่คงที่และต่างก็จะแยกรากกระจัดกระจายกันออกไปเต็มไปด้วยความบีบคั้นกดดันขัดแย้งกันอันทาให้พันแปรสภาพไปไม่คงตัว ต้องอาศัยความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัยเป็นเครื่องควบคุมความเป็นไปให้คงรูปเป็นกระแสเป็นกระบวนรธรรมะอันหนึ่งอยู่ไม่เป็นตัวใดๆล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครอย่างไรก็ตามแม้ว่าอันใดไม่เที่ยงอันนั้นย่อมเป็นทุกข์ อันใดเป็นทุกข์อันนั้นย่อมเป็นอนัตตก็จริงแต่อันใดเป็นอนัตตาอันนั้นไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์เสมอไปกล่าวคือสังขารหรือสังคตา ธ, ธ ร, รรมทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารหรือสังคตธ ร, รรมทั้งปวงนั้นย่อมเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแตธรรมะทั้งปวง คือทั้งสังคตาธรรมและอสังคตาธรรมหรือทั้งสังขารและวิสังขารแม้จะเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เสมอไปคือส่วนที่เที่ยงและไม่เป็นทุกข์ก็มีหมายความว่าอาสังคตาธรรมหรือวิสังขารคือนิพพานแม้จะเป็นอนัตตาแต่ก็พ้นจากความไม่เที่ยง และพ้นจากความเป็นทุกข์โดยในยะานี้คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั้งสามเท่าที่แสดงมาในตอนนี้ซึ่งมีความหมายเนื่องเป็นอันเดียวกันเป็นต่างด้านของเรื่องเดียวกันจึงมุ่งสำหรับสังขารหรือสังคตธรรมตามความที่กล่าวนำหน้าไว้ ส่วนความเป็นอนัตตาของวิสังขารหรือสังฆตาธรรมพึงเข้าใจตามในยะที่ได้อธิบายก่อนแล้วข้างตน้น